يا كن ف ق ر ا ء يغني ملله من فضله والله واسع علي والله واسع علي و َ ا ل َّ ي س َ تَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ ن ِ ك َ ا ح ا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ م ِ ن فَضْلِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ م ِ ن فَضْلِهِ َالَّذِينَ ي م م أ و ا ل ل َีนَยِ م َตั م َ ل َ ك َี่คาบมิมมามาลาคัดไَมานุกลมบัค إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا أطهم مما لله الذي آ ت ك م ولا تكره فتياتكم على ا ل غ ا ء ولا تكره فتياتكم على البغاء إ ินَอาَดّัทَัฒ ت ์َัลَตเบตัวอารบะล์ حياة الدنيا ว่าไม่ย ا ل ริหุนฟ้ ن อิَนْลลอฮะْิบัติในพรَหินว่าไม่ยุคริหุนฟ้าอินนัลลอฮะมิบัติใน รอฮีฮินมิมบาดีอิกรอฮีฮินดาวฟุรุาบิสมิลลาฮิ р r a h m a a h i m إن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت غ ف ر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 أعوذ ب ك ل م ا ت الله ا ل ا ما ت م ن ش ر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ش ي ء في الأرض ودا في السماء ووسميع العلم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ا ل ر س و ل اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر รับบีอา ب ุบุกจากมีอาดับในนารีและอาดับในควบรีอัลลอฮุมะฟ ا ف ี ن นบดีและมะฟิ ي ีในสัมยีและมะฟินีในบัซรีสุบฮานุอัลลอฮฺบิฮัมดีฮีอาด د ดาขลุกฮีวริดาเนฟซีฮีวะซินะต์อาร์ซีฮีวามิดาดะคิลมัตีฮีสุลามาริ พี่น้องที่ร่วมน้ำมาสุบที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาขอบคุณอลลอฮฺซุบฮานาหุบะตาลที่อัลลอฮให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมา Al อัลฮัมดุลิลลาดวงที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเมื่อตื่นมานะครับให้ขอบคุณอัลลอฮ์ให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮที่อัยานะ บัดมาอามาตานาวอิลาหินนุษย์เพราะว่าทำไมต้องอ่านดวอาครับเพราะนาบีมุฮัมมัดสุลต์ลัมสอนบอกว่าขณะที่เรานอนเนี่ยนะชัยตอนมันจะฉี่ใส่หน้าใส่หูใส่ตาฉี่ยังไงวลเราอลลาลจะไม่รู้นะครับแต่ชะตอมอยจะบอกว่านอนนอนนอ น, น, อนให้ยาวไปเลย เมื่อรตืนตื่นนอนมานะกับสุนหน้านบีนะให้เอามาือเนี่ยลูกหน้ารูบที่ใบห น, น้าทีธธ่หนาเนี่ยนบีทาธธเป็นแบบไว้เอามาือลูกหน้าเป็นสุนหน้านบีเสร็จแล้วก็อัลโดอาฮัมดุลิลลาฮิลลัีอะฮิยานาบะดามะอามะตานาไวลัฮินูชุดพยายามเนี่ยเลียนแบบนบีอะไรที่นบีทำนั่นนะมีบาระ ก, กัดหมดเลย เราก็เรียนแบบนบีนะครับนบีรูปหน้าเราก็รูปหน้านาบีอ่านดุอาขอบคุณอลัลลอฮ์เราก็อ่านดุอานาบีเข้าห้องน้ํานะครับแปรงฟันอาบน้ําน้มาเสร็จแล้วปมที่ใช้ตอนผูกไว้สามปมเนี่ยนะหลุดด้วยดุอาหมดเลยนะนะครับอ่านดุอาบทแรกก็หลุดดุอาบทที่สองอ่านบิสมิลลาห์ตัวอาบน้ําน้นมาดหลุด มาเข้าเสือ้อนามายืนขอบคุณอัลลอฮฺจะเป็นนมาตหัตยุทเกียรมุลเลนอะไรก็ตามรดปมที่ใช้ตอนผูกเอาไว้นั้หลุดแล้วก็นบีก็พูดต่อไปอีกว่าคนที่อ่านดุอาขอบคุณอัลลอฮฺแล้วก็ปมต่างๆที่ใช้ตอนผูกและไล่ออกให้หมดเนี่ยวันนั้นทั้งวันเนี่ยเขาจะนาชาตนาชาตมาถึงกระปีก้กระป๋า แต่ถ้าหากใครไม่ได้อ่านดวงอาทั้งสามบทนี้ไม่ทำสามรายการนี้วันนั้นนะครับมีจะใช้ตอนคุมเขาอยู่ตลอดทั้งวันเลยอธิามว่าใส่ตอนคุมกับมาลาอิกาคลุมเอาเลือกอันไหนอันไหนจะดีกว่ากันแน่นอนที่สุดอยู่กับมาลาอิกะแนนั่นดีกว่าเราพยายามทาตัวให้เราให้อยู่ใกล้กับมาลาอิกาให้มากที่สุดอย่าทําตัวให้อยู่ใกล้กับใส่ตอน อ, อยู่ใกล้กับใส่ตอนมีอะไรบ้างอ่ะ ถ้ามีน้ำนำมัสการเก็บเอาไว้เนี่ยอยู่ใกล้กับใครอยู่ใกล้กับมาลายกิกาถ้าน้ำนำมัสการไม่มีอย่างน บ, บีสอนบอกว่าใครที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยนั่งในที่นมารด้วยนะ <c oughs> เราในมัลสุโบนี่เรานั่งอยู่ที่มัสยิดพยายามนั่งในที่ที่เรานมาัสการเนี่ยหลังจากให้สาามแล้วสุบรรณอัลลอฮ์แล้วอ่านกุรอาน่านดิกรุลลอ นะครับแล้วก็นั่งศ <c oughs> ึกษาหาความรู้อย่างที่เรานั่งอยู่วันนี้ <c oughs> ที่มัสยิดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาลิก้ามาขอด้อาให้ณนาะสาบประโยคอัลลอฮุมักฟิดละหูอัลลอฮุมักฟิดหูโอ้อัลลอฮ์มาลิก้าขอ อ, านะ oh Allah, อ้อนนะโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับคนคนนี้ด้วยอัลลอฮ์เห็นไม่ดีไหมวัดหัมหูประทานความเมตตาให้กับคนคนนี้ด้วยวัตุบอาไลฮี ทรงรับการลุกะโทษให้แก่คนคนนี้ด้วยขอดุอิสามบทใครขอนะมะเลายกาท่านอยู่ใกล้กับมะเลายกาดีกว่าอย่าอยู่ใกล้กับชายตอนเลยเพราะทั้งชีวิตเราเนี่ยก็อยู่ใกล้กับชายตอนมาทั้งวันอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะอขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาอูบานาลานะครับที่เราได้อ่านกุรานสุร้อนุษย์ในเรื่องอัคลากเรื่องมรารยาททั้งหมด เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจะรับความรู้จากคุณอ่านนะครับผู้หญิงเนี่ยมันมีซีน่ามีเครื่องประดับอยู่สองรายการเครื่องประดับที่เปิดได้กับเครื่องประดับที่เปิดเผยไม่ได้เครื่องประดับที่เปิดเผยไม่ได้เนี่ยไม่ให้คนอื่นเห็นเนี่ยนะยกเว้นมหารอมเราเนี่ยมีกี่คนล่ะสิบสองคนที่อ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะ ของที่เปิดเผยไม่ได้มีอยู่สี่ประการหนึ่งตีลาดาสร้อยคอจะไปใส่อวัวให้ใครทะใครไอ้มัดไอมุดไอมีนไอเบิร์้ที่นายคนตามแต่ไปอวดทไมไม่ได้ต้องเก็บอยู่ข้างในให้มิดชิดเรื่องที่สองต่างหูที่ใส่อยู่นี่มันสวยนะ่ะต้องไปศึกษาด้วยว่าต่างหูนี่นะการเจาะหูครั้งแรกจยเจาะกันที่ไหนใครเป็นคนเจาะเจาะทาไมอ่เอลตรงนี้นิดหนึ่ง ผู้หญิงที่ถูกเจาะหูคนแรกน่ะภรรยานาบีอิบรอฮิมละฮิสซาลามชื่อนางฮาจักที่อยู่ที่มักกะคุมมักกะอยู่เนี่ยที่พิชิตมักกะได้ที่ไปเปิดมักกะัปพัฒนามักกะจนจะเจริญมาถึงวันนี้เนี่ยวันนั้นเขาเจาะหูกันเพื่อการลงโทษเสร็จแล้วก็พอเจาะเสร็จแล้วก็เอาต้นอะไรข้าวสาลีสีดำๆเนี่ยมาใส่ พอใส่แล้วไอ้โมบิวตี้ฟูดมันสวยกว่าเก่าอีกค่ะนบีอิบรอฮิมเห็นภยาอลออาควัดถูกเจาะหูเป็นการลงโทษแต่ที่ไหนได้สวยกว่าเกา่าเห็นไหมจากแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เจาะกันหมดเลยทั้งโลกใช่ไหมบางคนเจาะสามรูสองอ้าวก็เล่าอะเพียน้องฟังนีง่งเห็นไหมมาจาก น, นบีทั้งหมดจากนั้นสร้อยคอต่างหูกําไล กับกำไรเท้ากำไรมือกำไรแขนนี่นะปกปิดจะให้คนอื่นเห็นยกเว้นสามีตัวเองแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ใครจะใครทีุ่ราอ่านอธิบายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไล่ส่วนที่เปิดเผยได้ก็มีอะไรบ้างหนึ่งเสื้อผ้าชุดทั้งนอกเนี่ยอ่านได้เผยได้มีปัญหาสองเนี่ยแหวนก่อนใส่เล็ข น, น้อยๆก็กใส่กันอยู่ในแหวนบางคนก็มือมันสวยมากใส่ทุกมือเลยเข่าใจไหม ้า่ก็อนุญาตให้เปิดได้นะแล้วก็เนี่ยขอบตรงขอบตาที่ใส่บัญญาตาทีงสวยอัลลออัลลตาลาให้มานี่ยทยูลเลาดีหมดเลยนะโอ้โหเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอสุบฮานหูวะตาลาเอาวันนี้เรามาถึงอายะที่สามสบสองนะครับอ่านกันแล้วนะครูอ่านบมื่กี้แค่สองอายะนะเพราะว่าเรื่องมันยาว وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمامكم يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. واللهواسع عليم الحمد لله الله أكبر ยินย่าย์ وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيماءكم إ يكونوا ف ق ر ا ء ي غ ن ه م มุ d งมั l l จากพระองค์วระคทรงมีพระุณงยิ่งราทรอวยพรให้เราไ l ้รับพ มาจากอายิมยามะอายามาเพราะว่าคนที่ไม่ได้แต่งงานจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามหรือหญิงที่ถูกยาแรางแล้วตอนนี้สามีไม่มีไปแล้วก็ให้หาคู่แต่งงานอย่าให้อยู่คนเดียวอย่าอยู่โสดนี่คำสั่งของอลัลกุรอานใช่ไหมวางกจฮุลอายามามิงกุ่มจงแต่งงาน ผู้ที่เป็นโสดมิงกุ้มในหมูส่สูเจ้านี่เป็นคำพาเป็นการพูดของอัลลอฮ์นะเป็นคาสั่งของอัลลอฮ์นะผ่านอัลกุรอานผ่านนบีมานะผ่านจิบิริลมาให้ท่านนบีมาพูดไงนะจงแต่งงานแต่งงานกับใครลนะ่ะแต่งงานกับผู้ที่เป็นโสดไอ้คนที่มีสามีแล้วนะอย่าไปแต่งขพะผู้หญิงแต่งผัวสองคนได้ไหมไม่ได้ ผู้หญิงบางคนฉันต้องการแบบผู้ชายนี่แหละสามีมีภรรยาสองฉันก็มีผัวสองคนผัวอยู่บ้านคนอยู่แล้วที่ออฟฟิศอีกคนไม่ได้ไม่ได้ไไดเดินตามคุารานสับสนวุ่นวายไปบนดุญญาใช่ไหมนี่เดินตามคุารานนี่แหละเอ๊มีบางคนถามว่าทำไมอัลลอฮฺอนุญาตให้ผู้ชายมีพภรรยาเกินหนึ่งได้ทําไมผู้หญิง มีสามีเกินหนึ่งไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีความยุติธรรมโอพี่น้องเอาลาสร้างมาเนี่ยนะขนาดยากันแล้วเนี่ยต้องรอเท่าไหร่ถ้ายาการต้องรอสามเดือนทําไมต้องรอสามเดือนเพราะต้องการจะเช็คว่าเนียมดลูกนะ่ะมันลูกของใครเห็นไหมฉะนั้นมันต้องรอพี่น้องฉะนั้นสามภรร ย, ยาผู้หญิงคนหนึ่งจะแต่งงานสามีหลายคนได้ไหมไม่ได้ สมัยโกลเนี่ยเขาแต่งงานอย่างนี้แหละก่อนจะอิสลามจะมาเนี่ยโอ้โหใช่ไหมนะเอาจงแต่งงานกับผู้ที่เป็นโสดในหมู่สูญเจ้าวังกีฮูเนี่ยเ ป, เ, ป เ, ปเป็นแฟนอมัดนะจงแต่งงานก็ถามว่าว บ, บังคับหรือเปล่าอุลมามะหลายท่านนี่บอกว่าไม่ได้บังคับเป็นครอิสติ บ, บับส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยแต่งงานอย่าอยู่คนเดียว เอาแต่งงานได้อะไรรอเพื่ออ่านจากคดีเรามีเยอะมากอะ่ะพูดสองสามชั่วโมงนี่นยังไม่จบเลยนะการแต่งงานเนี่ยทำให้หัวใจสงบหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ใ ช, ใช่สองการแต่งงานแต่งงานแล้วเนี่ยจะทำให้อะไรนะชีวิตที่มันเหงาเงานี่มันจะหายเหงาใช่หรือไม่ใช่ใ ช, ใช่อันที่ส ม, มีความสุขอรอสุขทั้งใจและสุขทางกายด้วย รอเอาหนังเนี่ยผิวหนังของผู้หญิงกับผู้ชายมาสัมผัสกันนี่มันอร่อยจริงๆแต่เนี้พวกเธอฟังๆอย่าอย่อย่ า, อ ย, าอย่าเรียกอย่ายอย่าเรียกสัมผัสนะรอนี่ก้าก่อนนะสาวๆนักเรียนหญิงนี่นะพอผมเล่าว่าเอ า, เอาผิวหนังของผู้หญิงกับผู้ชายมาสัมผัสกันนี่มันอร่อยเนี่ยอย่าเพิ่งทำรอนี่ก็ไปก่อนอดทนให้ดีข้อที่หนึ่ง <c oughs> ชีวิตมีความสุขอรอนะครับ แล้วก็ทําให้สุขภาพกายแข็งแรงด้วยคนแต่งงานแน่นะ่ะทั้งแรงหัวใจก็มีความสุขแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเป็นการรักษาเผ่าพันธ์ของมนุษย์ให้สืบต่อไปอยู่บนโลกดุรยางค์ไปนี้เห็นไหมนี่ถ้าหากว่าพ่อแม่เรามาเราแชร์เราโตเราไปแต่งงานเนี่ยจะมีนั่งแบบนี้ไหมไม่มีเมื่อวานเนี่ยผมคบคนผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาบอกขอบคุณ อ, อัลลอฮฺ ที่ฉันเกิดมามะฉันไม่ทำแท้งก่อนไม่คุมกำเนิดก่อนทหากมาเนี่ยคุมกำเนิดนะฉันไม่มีโอกาสได้นั่งอยู่บนโลกดุงยาใบนี้เนี่ยไม่เห็นดวงอาทิตย์ดวงตะวันโอ้ไม่รู้จักใครอะไรเลยขอบคุณอัลลอ์ทิมะฉันไม่อะไรนะไม่คุมกำเนิดฉันอัลลอ์วอ่านและพูดและใจเสียแว บ, บเลยอัลลอ์วนี่ถ้า พ่อแม่คุมกำเนิด น, นะพวกเรามีโอกาสนั่งแบบนี้ไหมไม่มีนี่ต้องขอบคุณอัลลอ์สุบฮานาหูตาลยนะทีนี้แต่งงานกับใครนะกับผู้หญิงโสดหรือผู้ชายโสดอัลลอฮหุอับแต่งงานอายุเท่าไรเลือกกับคนแต่งงานเนี่ยเลือกยังไงน บ, บีสอนนะครับมันมีศัพท์อยู่คำนยะกูฟูเหมาะสมกันกูฟูกูฟูว่าเหมาะสมเหมาะสมผมเช็คแต่ฮะดิษแล้วเลยนะ คำว่าเหมาะสมก็หมายควาว่านับถือศาสนาเดียวกันเป็นมุสลิมเหมือนกันใช่ไหมที่บางคนตีความหมายว่ากูฟู่ท่าสามีจบด็อกเตอร์ผู้หญิงก่นด็อกเตอร์ไม่มีความสุขในบางคนกูฟู่อธิบายอย่างนั้นแต่ไม่ใช่กูฟู่หมายความว่ า, วามีศาสนาเดียวกันอัติดาเดียวกันทำอยู่หรือ ล, ล, ละผู้ชายจบด็อกเตอร์ผู้หญิงจบปรเสได้ไหมได้แต่ว่า มันก็พัฒนาขึ้นการศึกษา น, นะพัฒนาขึ้นตลอดเวลาจบดอคเตอร์ผู้หญิงพญาตรีได้ไมั้ยได้จบสนวีได้ไมั้ยได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ละแต่งงานกับใะๆอีกครับวะสาลิหีนอัลล้าหุอักบัตรคนดีๆในภาษาอุดดูสรุปแล้วเนะขาแปลว่าคนดีหมายถึงคนที่เหมาะสม กับเราเนี่ยพอพูดจาแล้วมันเข้าใจกันอะไรกันเออมาไกลขวางหูขวางตาใช่ไหมไอ้แปแต่งกับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องไอ้แปแต่งก็แต่งที่พูดจาดีดีอักลากดดีนิสัยดีใช่ไหมจากนี้เป็ต้นจงแต่งงานกับผู้ที่เป็นโสดในหมู่สูเจ้าและจงแต่งงานกับคนดีๆที่มีตักวาต่ออัลลอฮ คำว่าซอแเนี่ยมีตกว่าต่ออัลลอ์อัลลอ์ อ, อ, อักบที่มี إ มที่มีตกว่าที่มียักตีนมียศานมีอิคลาสมีสุนัขนบีกำกับชีวิตเนี่ยเลือกคนแบบนี้แต่งงานเนี่ยมันสบายใจผู้ชายที่มีศาสนาเนี่ยเขาไม่เตะเมียเขาไม่ตบหน้าภรรยาเขาไม่ด่าภรรยาเขาไม่ดา่าเพราะเขากลัวอัลลอฮ์ใไปเลือก อ๋อคนที่ไม่มีตักว า, ารูปรอยอย่างเดียวพี่น้องรูปนัรอหน้าดูเลยจะรู้จักอลัลลอฮ์ไหมไม่รู้จักอลัลลอ์ไม่รู้จักอีมานไม่รู้จักยากรู้จักอิยาานสุนนะนาบีไม่รู้จักอย่าไปแต่งอย่างน้อยให้ผ่านสซชนสักหเดือนก็ยังดีใช่ไหมยังได้ยิน <laughs> อลัลลอฮ์เราซูลบ้างจะได้อยู่ในครอบครัวแบบมีความสุขนะแต่หน้าบางคนนะเลือกหางไม่มีนิก้าเลย นี่ผมพูดแรกไหมหรืเปล่าเนี่ยแค่หางไม่มีคําดูหางไม่มีนิกายเลยเจอป้ารถเมลนุ่งเกงยีนสวยตัดสินใจนิกายกับคนเนี้อย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นๆนะวัดซอยเล่ห์จงเลือกแต่งงานกับคนที่สอแล้วคนที่มีตั ก, กวาคนที่เหมาะสมกับเรามิ้งไอบาดีกุม่มเห็นไหมจากไอบาตวาบาวจากปวงเบานะครับปวงเบาชายของท่านนะครับ นีสัมม่งมวลเลนสังผู้หญิงสั่หลังผู้ชายต่างคนต่างหาซึ่งกันละกันต้องนึกนในใจอย่างนักเรียนหญิงเนี่ยต้องขอดวอาตมวตันนี้เลยนะอัลลอฮุมะซอวิจนี๊อันซอลฮนอัลล์จ้าขอให้ชานได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆไม่ใช่ชื่อโลนะผู้ชายดีๆที่เหมาะสมนักเรียนชายก็เหมือน ก, กันต้องขอดวอาอัลลอฮุมะซอวิจนีันซอลฮัน โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้แต่งงานกับสามีไอ้ชี่ผู้หญิงดีๆผู้หญิงที่ซอเลียห์ผู้หญิงที่มีอิมานก็ขอทุน อ, อาตอัลลอฮ์เอาเงี้ยมันต้องขอกี่ปีอยน้อยหปีเจปีสิปีใช่หรือไม่ใช่นี่เงี้ต้องขอดุ อ, อาตอัลลอฮ์นะอย่าได้มาแบบไม่ต้องขอดุ อ, อาตอย่าทําต้องขอดุ อ, อาก่อนให้เรียบร้อยว่าอีมาอิกลมและเบา เบ่าญิงของอัลลอฮ์ของสูเจ้าสมัยนี่สั่งนะสั่งทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยให้หาคู่แต่งงานทีนี้าการหาคู่แต่งงานเนี่ยไปหายังไงล่ะไปจีบกันดีไหมหรืออะไรไม่ได้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจัดการให้ดีที่สุดสมัยนี้พูดไม่ได้ไม่สมัยนี้มันต้องพาเที่ยวกันก่อนเดินที่ซุยคอนก่อนสิบรอบ ไปเช่าบ้านอยู่กันก่อนที่หน้ารามคําแหงสักสองปีทดลองอยู่กันก่อนท่าดีครนิการท่าไม่ดีเลิกเอาล่ะอุตส่าห์ประคองตัวมาตลอดท่านไปเสียตัวกะิีบ้านเช่าถึงเล็กน้อยอ ย, อย่าทําอย่างนี้ยาทำต้องผ่านตัวตอักษรล้อมหมดเลยนะครับต้องสอนลูกสอนหลาน ให้ระวังตัวให้ดีดูแลตัวให้ดีร่มดูเลล่ละนะอีกูนูฟุกรอพอพูดจะเลงแต่งงานนี่นะหลายคนไม่กล้าแต่งเพราะกลัวจนบางคนจนแทนแม่แต่งงานโอ้โหมันไว้ไปเลี้ยงชาวบ้านก็หรอกนะฮะหากว่าพรรยาเป็นชาวบ้าน ก็เลี้ยงภรรยาไม่มีรางวัลหรอมีรางวัลอัลลอฮฺอาบบะฮเลี้ยงพ่อก็มีรางวัลแต่งงานพันดูแลภรรยาก็มีรางวัลมีรางวัลตอบแทนจากอัลลหมดแต่ให้เนียดเพื่ออลัลลอฮฺนะครับอียากูนูฟุกรอนะครับถ้าหากพวกเขายากจนฟุกรอเนี่ยถ้าพวกเขายากจนเพราะว่าในวันนี้นะหลายคนนี่นะ จนจริงๆนะหามหฮัดแต่งงานไม่ได้ก็มีไหมมีครับอยากจะแต่งจะเงินไม่มีอลัลลอฮ์ให้จนใช่ไหมอิยาคุนูฟุกรอนะทีนี้มันมีอยู่สามสามรายการที่อลัลลอฮ์จะช่วยนะพี่น้องนะหนึ่งคนที่ต้องการจะอะไรนะต้องการจะหามหฮัดแต่งงานนี่อลัลลอ ฮักกุลฮักกุลอัลลอฮเอานหฮุมอัลลอฮจะช่วยเหลือเขาอันนาเกียยคนที่หามาฮัดแต่งานต้องการจะจะอยู่แบบแนั้นแบบอาฟาฟอยู่อย่างบริสุทธิ์นะครับเรื่องที่สองอัลวัลมูกาติฟอยู่อยู่รีดู อ, ดอัดาทาตสมัยนี้าทาตนหงดแล้วแตนบียังพูดอยู่นะาทาตที่หาเงินเพื่อจะไทยตัวเองเป็นอิสระเราช่วยนะ เรื่องที่สามนะครับวลรลซีฟีซาบิลลาคนที่หาเงินหาทองเพื่อจะซื้ออาวุธไปปกป้องอิสลามออกทําสงครามเนี่ยสามประเภทนี้อลัลลอฮ์จะดูแลช่วยเหลือนะครับจะมาหาเงินมาปลูกบ้านอาลัลลอฮ์ไม่ช่วยหาเงินมาจะซื้อรถแข่งกันที่ถนนสีนครินอลัลลอฮ์ไม่ช่วยเราใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าหาเงินมาเพื่อมามาจ่ายค่ามาฮัดอลัลลอฮ์จะช่วยทาดนะครับ หรือทาสีต้องการหาสตังมาไปทำสัญญาไว้ฉันต้องการจะถ่ายตัวของจาริกาล้านหนึ่งหรือว่าห้าแสนหรือแสนหนึ่งไปหาเงินมาเนี่ยเอเลอร์จะช่วยคนเหล่านี้นะครับได้ออก็อออกสงครามปกป้องศาสนาไปซื้ออาวุธปกป้องตัวเองเอเลอร์จะช่วยเหลือสามประเภทนะครับอ่ะทีนี้ยูกอนีฮิมุลโลหูมิมฟราบอเลอร์จะจะทรงให้พวกเขานั้นมั่งคัง่ง วันนี้ยุคนี้เพราะว่าให้ัวเขามั่งคัง่งมิมฟาร์บลินจากความโปรดปารานของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาล้บางคนเนี่ยไม่กล้าแต่งงานเพราะกลัวจนนบีทรงส่งเสริมว่าใครที่จนๆอยู่แล้วนะให้แต่งงานซะเดี๋ยวทิสกีมันจะตามมาใช่หรือไม่ใช่ท่านอบูฮุรลล้อเนี่ยเคยเล่ากับ น, นบียาซูลล้อจนนบีว่า แต่งงานเสียบุหรี่แล้วเพราะว่าแต่งงานน่ะวิสกีมันมานพอวิสกีของภรรยามีไหมมีของเรามีไหมมีมเพราได้นอนนยบางทีมันมึงมามันมามาช้าน่ะอีกสองปีจะรวยเรื่องที่อลอกรกไว้กําหนดว่าจะภรรยาบางทีวิสกีกับภรรยาก็มีแล้วหลายคนพอแต่งงานแล้วนะเก็บเงินอยู่ก่อนแต่งงานเก็บเงินมาอยู่มีไหมยเยอะ พอแต่งงานปั๊บอ๋อได้มาพันบาทเอาเอาเอ า, เอาไว้ฝากธนาคารไว้เจ็ดรอยเอามาใชา 2, ้สองสามรอยก่อนแต่งงานนี่ประหยัดไม่เป็นฝากธนาคารไม่เป็นเก็บไม่เป็นจ่ายหมดพอแต่งงานปั๊บหรือว่าจะแต่งเนี่ยเอาแหละรู้สึกจะเก็บเงินเก็บทองการเก็บเงินเก็บทองนั่นก็เป็นอิสลามอันหนึ่งเป็นข้อหนึ่งมันก่นไม่ใช่มีทั้งหมดแล้วจ่ายหมดนะอยนทีนี้แต่หากใครที่กลัว ว่าแต่งงานแล้วจะทําให้ยากจนไม่จมกลัวตรงนี้อาญาณี้สอนว่างไงนะยุคน oh um ี้ฮิมุลลอฮูมิงฟาร์โลีอัลลอฮฺจะทรงให้พวกเขานั่นมั่งคั่งหรือร่ํารวยนะต้องว่าเ น, นี่อลัลลอฮฺส่งเสริมให้กําลังใจนะไม่ต้องไปคิดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องจนไอ้วางแผนหาซาตังนี่มันมีในใจของคนทุกคนอยู่แล้วนักเรียนที่จะเรียนแพทย์เนี่ยก็หวังรวยเวลาคนกันทันั่นแหละแต่มันงินแสนห้าอย่าไปคิดอะไรเยอะนะ ทำเพื่ออัลลอฮ์นะจะทําเพื่อเงินเงินเงินทําอัลลอฮ์พอใจด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นว่ารอหัวซีอันหาลีและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงวาเสียเนี่ยแปละวะ่ากว้างขวา ง, วางมาถึงภัยบุญอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์อักบัดว่าเสอันนี้เป็นสิ่ฟ้าหนึ่งของอัลลอฮ์นะอัลีมุลแปลว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ใครคิดอะไรอยู่ในใจของคนที่จะแต่งงานอัลลอฮ์ Allah รู้หมด ถามว่าอยู่แต่งงานกับไม่แต่งงานนะ่ะดีหรือไม่ดีอยู่แบบไม่แต่งงานดีไหมไม่ดีครับยกเว้น <c oughs> คนที่ไม่ไม่มีความสามารถที่จะให้ความสุขกับภรรยาได้มีไหมมีครับมีผมรู้จักบาคนหนึ่งอ่ะนะมยเอ่ยชื่อว่าใครเล่าผมฟังกับยานผมผมนี่กล้าไม่ได้เพราะอะไร ก็เล่าตรงๆก็เล่าบอฟังก็นั่งฟังเฉยๆมาดูหะดิษนะหะดิษบีสอนอย่างงี้อันอับดิลละาะดิอัลลอฮฺหวนดก้อลกอลละนางรอสูลอลลอฮท่านรอสูลอัลอฮได้กล่าวกับพวกเราคือชาวบ้านนั่งกัอยู่นบีสอนไงเขาก็เล่าบอกว่านบีพูดอย่างนี้ยามัชรชบโอคนหนุ่มเอ๋ยชาบะแปลว่าคนหนุ่มคนหนุ่มคนสาวนะมานิสตตะตอมิกุมูลบาอ ผู้ใดที่มีความสามารถที่จะแต่งงานไอ้คําว่าบ้าอวามสามารถเนี่ยมีอยู่สองสองอย่างหนึงมีเงินสองมีโอกา่มีความสามารถที่จะให้ความสุขกับภรรยาได้สองรายการนะมีเงินแล้วก็มีอะไรนะมีกู้วะมีความสามารถด้านร่างกายแข็งแรงนะครับให้คระสุกับภรรยาได้มีสองอย่างนะฟัลยตาเจ้าว่าจให้แต่งงานอ่าให้นนกะ ก บ, บาการแต่งงานนั้นทำให้สายตานะ่ที่มันเชงเงอชงเชิงอเชงื้ออยู่เนี่ยมันได้ลดลงใช่ไหมไม่ใช่ที่นบีพูดนี่ตรงเป๊ะเลยนะครับทำให้สายตานี่มันลดลงอันที่สองวาานเป็นการรักษาอาวัยวะเพศที่ดีที่สุด พอใจมันสงบแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไนบีสรอนอย่างนี้ผู้ชาที่ออกลัง้างนอกเนี่ยไปเจอผู้หญิงข้างนอกเนี่ยมันเข้าตากรรมการโอ้โหคนนี้ก็สวยคนนี้ก็สวยทำไงตีสนิทไม่ใช่ให้กลับบ้านเพราะที่บ้านกับคนนี้เนะี่ยมีเหมือนกันนั่นแหละนี่นบีรสอนกลัวจะคิดไม่ออกนะที่บ้านกับข้างนอกนะี่ยมีเหมือนการกลับบ้าน แต่วันนี้มันกลับระบากผู้หญิงก็ทํางานผัวก็ทําเมียก็ทกํากามาใครอ่ะเดินตามฝรั่งเนี่ยเมียก็ทํางานผัวก็ทํางานเวลาสามีไปเจอผู้หญิงเข้าตากับการคิดถึงบ้านอ้าวเมียกูไม่อยู่แล้ไปไหนวันนี้เห็นไหมแค่นั้นนะเมียไอ้ภรรยาทํางานที่บ้านดีที่สุดนี่เป็นตัวในชี้ให้เห็นนะนี่ใครสอนนะนบีมศลล์ลมสอนเรานะครับอ่ะทีนี้ ในช่วงที่หาภรรยาไม่ได้และในช่วงที่หาสามีไม่ได้มังคนก็ต้องรอห้าปีสิบปีมีไหมมีครับฟามัลวะมัลลัมยัสตาเตียใครที่ไม่มีความสามารถที่จะหาคู่ครองได้ฟาไลฮิบิซาวมินาบีพูดนะถ้าหากว่ามีอารมณ์เซ็กทำยังไงไปน้องมาสเตอร์เบชั่นเหรอไม่ใช่แต่งนู้นนะถือสส้นอ๊ ไม่ใช่สำเร็จความค่ายดีตนเองไม่ใช่อันสือโป้มานั่งดูโอ้มีทรงเซ็กโนหนังสือเต็มห้องเลยเซ็กหมดเลยอ่ะแล้วถือบวชไววอย่างนั้นอ่ฉะฉันแต่หาจะมีต้องจะไม่มีความสามารถที่จะทำนีก็ได้ให้ทำไงนะให้ถือสินอดเป็นการลดชัว่าที่ดีที่สุด Akbar. อัลลอฮฺอัลบัดฉันยังครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะต้องประคองตัวเองให้ดีอย่าทำซีนาะ นะครับอย่าสำเร็จความาไข่ดีตนเองต้องถือศีนอดเยอะๆอย่าอ่านหนังสือโป้อย่าดูหนังเซ็กอย่าไปดูหนังองค์หนังเอ็กพยายามหลีกเลี่ยงให้หมดเพราะมีสิ่งเหล่านี้แล้วพี่น้องบางทีควบคุมตัวเองไม่ได้อะเพราะนั้นนบีสั่งสอนเรานะครับให้ดูแลประคองตนเองให้ดีนะอ่ะทีนี้ทุสมัน ความความรู้จากภาษาอุรดูตัปซิดบางเล่มนะอธิบายดีอธิบายอย่างนี้ความคิดของตะวันตกกับความคิดของอิสลามเนี่ยนะไม่เหมือนกันนะ่ะความคิดของตะวันตกเนี่ยนะไม่ได้มาจากคุรานไม่ได้มาจากสุนนนะบีเอาความคิดตัวเองมาตัดสินสังคมแล้วก็คนมีความคิดแบบอิสลามมีทั้งหมดสิบห้าข้อนั่งฟังกันดีๆกันะข้อที่หนึงเรื่องการแต่งงาน เรื่องการแต่งงานพวกความคิดตะวันตกพูดว่าถ้าไปแต่งงานแล้วนะผู้หญิงเป็นทาสของสามีเป็นคนรับชายสามีฝรั่งบอกจะรับไม่ได้นะแต่อิสลามว่าไงรู้ไหมอิสลามบอกว่าการแต่งงานเป็นสุ น, นาของท่านนาบีและเป็นพื้นฐานของครอบครัวที่ดีที่สุดคนจะมีครอบครัวต้องแต่งงานใช่หรือไม่ใช่ มีลูกกี่คนห้าคนบางคนสิบสอคนหัวครอบครัวนี้ทำดีแล้วเก่งจริงๆเลี้ยงลูกได้สิบสองคนสิาคนห้าคนหกคนกคิดถึงมาแวรกี่คนยี 25, 20, 30, ่ห้าหรอยี่สาสบยบอาบางคน18คนพูดว่าไงนนะมีลูกแค่18คนเองเอพูดเองด้วยทำดีแล้วพี่น้องไอ้ครอบครัวใหญ่ๆนี่นะน่ายกย่องน่าให้เกียรติเลยนะเราทำดีแล้ว เอาเรื่องการแต่งงานนะตะวันตกคิดอย่างนี้อิสลามคิดอย่างนี้เรื่องที่สองหน้าที่ของสามีในครอบครัวนั้นฝรั่งคิดยังไงครับฝรั่งบอกว่าสามีกับภรรยานั้นเท่าเทียมกันสามีกับภรรยาเนี่ยอยู่ในครอบครัวเท่ากันไม่มีใครใหญ่ไม่มีใครเล็กเท่ากันหมดนี่ความคิดของตะวันตก แต่ความคิดของอิสลามน้าสามีเป็นผู้รับผิดชอบครอบครัวทั้งหมดค่าใช้ใจ่ายใครรับผิดชอบสามีรับผิดชอบนี่อิสลามแต่ตะ ว, วันตกว่าไงนะหาเงินเท่าๆกาันผัวก็หาเมียก็หาถึงกลับมาบ้านมาเจอเมียพะอย่างนี้แหละเข้ามั้ยมีชาวา่าเมียรมณ์ไปเจอผู้หญิงสวยๆกลับมาบ้านเมียไม่อยู่แล้วไปทํางานอย่างเราเข้ามั้ยสิทธิหาเงินเท่าเทียมกันเรื่องที่สามครับ หน้าที่ของภรรยาฝรั่งคิดว่าหญิงกับชายมันเท่าเทียมกันไม่จำเป็นจะให้สามีมาเลี้ยงเรกผู้หญิงก็ต้องทามาหากินหาเงินมาเลี้ยงตัวเองแต่อิสลามเป็นหน้าที่ของสามีผู้ชายต้องหาริสกี้เข้าบ้านผู้หญิงมีหน้าที่อะไรนะดูแลลูกดูแลบ้านดูแลเสื้อผ้าดูแลอาหารนี่หลักการอิสลามแต่ตะวันตกไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าต่างคนต่างหาไม่หาเอ็มก็อดไป นะครับเรื่องที่5นะครับผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะใครบ้างนต้องรับผิดชอบภรรยาก็ต้องหาเงินเท่าๆกับสามีหาสตังในหลักการอิสลามบอกว่าไงนะเป็นหน้าที่ของสามีเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบด้านหาทิ่สกีของอัลลอ์สุบฮานหาุตาวันนี้พวกเราก็ทำตัวเหมือนฝรั่งกันหมดแล้วใช่หรือไม่ใช่ เมียก็ทำผัวก็ทำล้วก็แฮปปี้ในชีวิตแฮปปี้ได้ไงอ่ะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งโทรศัพท์า ม, มาหาผมพออาจารย์หนูเนี่ยไปไปเยอรมันจะไปทำมาหากินจะไปหาเงินนะั่นแหละเวลไปเจอผู้ชายมุสลิมคนหนึ่งพอรู้ว่าเป็นคนไทยเขาก็เขาก็บอกฉันต้องการจะแต่งงานกับกับคุณแล้วบอกห น, หนูหนูพร้อมจะแต่งงานนะ แต่ต้งรับอิสลามก่อนพียงว่าได้ได้ไดแล้วมีเงื่อนไขนะถ้าแต่งงานกับฉันนะห้ามทํางานนะอยู่บ้านให้ทําหน้าที่สองอย่างหนึ่งส่งขับรถไปส่งฉันที่ออฟฟิศแต่ตอนเย็นก็ขับรถไปรับฉันมาจะทํางานเอาไหมหนูเอาเถอรากัหนูไปจะไปหาสตังค์และไปเจอผูชายเออดีจริงๆห้ามไม่ให้ฉันทำงานแล้วมีเงินเดือนด้วย โอ้โหอยู่บ้านดูแลบ้านดูแลความสะอาดดูแลอาหารเสื้อผ้านูเอาเลยเนี่ยมันนั่งกับกคุยกับผัวพี่เนี่ยมาจาเหนารู้ไหมมาจากเยาวราชเป็นอัสลีคนจีเลยพี่น้องนะทำในเรืยังไม่เจอไม่เคยเจอไปเจออิสลามเพียวๆอิสลามคนกระจายอิสลามดีใจล้ำจนเลยเลยพี่น้องเอาต่อมาข้อที่เจนะครับการมีภรรยาหลายคน คนตะวันตกมองไงครับเป็นภาพที่หน้าขำรับไม่ได้นี่ความคิดตะวันตกใครมีภรยาเกินหนึ่งคนรับไม่ได้หน้าขำหน้าหัวเราะแต่มีกิ๊กได้ของฝรั่งนี่นะมีภรยาถูกต้องตามกฎหมายได้กี่คนคนเดียวถ้าเกินกว่านั้นไม่ได้เลยหน้าหัวหน้าหัวเราะหน้าขำแต่มีกิ๊กได้นะได้ แต่อิสลามว่าไงนะอิสลามบอกว่าอนุญาตให้มีภรรยาเกินหนึ่งได้วันนี้อิสลามถูกโจมตีใช่ไม่ใช่ถูกโจมตีจากพวกตะวันตกแต่พวกตะวันตกกระทำตัวยิ่งกว่ามุสลิมเยอะแทบไปหมดเลยั้มมีกิกมันจะเหลืออะไรชีวิตทำซีนาไปมั้งต่อมาข้อที่7นะครับ girlfriend กับ boyfriend มีเพื่อนชายกับเพื่อนหญิงตะวันตกว่าไงรู้ไหมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ใช้ท่านผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็ต้องมีบอยเฟรนดและผู้ชายก็ต้องมีเกิลเฟรนเพื่อนหญิงเพื่อนชายคุยกันจับมือกันกรอดกันอะไรกันไปไหนแต่มาแตนิกาณนะเพื่อนกันเห็นไหมแต่อิสลามว่างนะฮารอมเด็ดขาดเลยไม่อนุญาตให้ลูกชายเรานี่ไปมีเพื่อนผู้หญิงข้างนอกหรือเพื่อนผู้หญิงเนี่ยมาส่งหน้าบ้านมาให้เข้าบ้านในอิสลามไม่มีเด็ดขาด นี่พี่น้องต้องเอาเรื่องอิสลามเนี่นะนยไปใช้เด็กครอบครัวด้วยนะต่อมาข้อที่8ข้อที่9พญาออกนอกบ้านเป็นยังไงครับความคิดของฝรั่งก็คือว่าคุมฮิญาบออกนอกบ้านเป็นความคิดของคนล้านปีเต่าล้านปีไม่ทันสมัยเลยอิสลามนี่คุมโน่นคุมนี้ออกด้วยบ้านแต่อิสลามสอนยังไงนะการคุมฮิญาบออกนอกบ้านเป็นการรักษาความบริสุทธิ์ รักษาสังคมไม่ให้เกิดปัญหาสังคมเห็นหนี่ลักษาอิสลามตะวานตกอิสลามสอนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันต่อมาข้อที่ข้อที่สิบเปลือยกายองุานในเจ็ดการเปลือยกายเนี่ยฝรัง่งยุโรปคิดไงครับเป็นความคิดที่ทันสมัยเป็นอิสระคนจะทำอะไรก็ได้มีสิทธิอิสระ แก้ก็ได้ถอดก็ได้จะเปิดตรงไหนก็ได้สิทธิส่วนตัวแต่อิสลามว่างนะพร้อมใครจะแก้ผ้านี้ได้ไหมไม่ได้เปลือยกายได้เฉพาะในห้องของสามีเท่านั้นเองอยู่กับสามีกับภรรยาเท่านั้นคนอื่นแก้ที่ไหนไม่ได้เลยนะครับข้อที่11อ็ดิคลิลาดบายนาริจัลมานิซะผู้หญิงผู้ชายอยู่คนกันอา้าฝรั่งว่าไงฝรั่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมขาดไม่ได้เพราะขาดแล้วมันเหงา ต้องมีผู้หญิงผู้ชายนั่งเดือกันคุยกันอะไรการจับไม้จากมือไม่ใช่ลูกสาวเรากดจับได้แต่อิสลามว่าไงนะเป็นที่ต้องห้ามอิลสอาาลามอย่างเด็ดขาดเลยห้ามกันเด็ดขาดข้อที่12บสองนาจินา่นาแปลว่าอะไรนะเรื่องชู้สาวนี่นะนอนกันนั่งระหางสามีและภรรยาสังคมยุโรปกว่าว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเห็นไหย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทําให้หัวใจมีความสุขแก้ปัญหาตัณหาได้เลยแล้วแก้ได้ไหมล่ะแก้ได้ไหมไปดูประเทศมุสลิมเดี่แก้ได้หมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรนะ อ, อะไรนะการมีเซ็กโดยไม่ผ่านการแต่งงานเป็นที่ฮารอมในอิสลามข้อที่สิสองการดื่มของมืนเมาตะวันตกบอกว่าอะไรนะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ด, ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเราก็บอกนะกินเบียร์วันลนิดชีวิตแจ่มใสเป็นยากระตุ้มกระตุะต้นแล้วาก็ตามใจอิสลามบอกไม่ได้ยังเด็ดขาดเป็น ท, ที่ที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดต่อมาข้อที่14การเลี้ยงลูกตะวันตกบอกว่ามีลูกมาเนี่ยเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ทำให้ผู้หญิงไม่มีอิสระนี่ความคิดของตะวันตกนะ แ้าของอิสลามว่าไงตรหมเป็นหน้าที่ของสามีและภรรยาตกงรับผิดชอบดูแลลูกเป็นอามานะแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอสุบฮานาูวัตัลลาข้อที่สิบห้านะครับดูแลลูกจะต้องดูแลพ่อแม่ไหมฝรังคิดว่าใครจะเลี้ยงก็ได้ลูกไม่เลี้ยงก็ไม่พิดแต่อิสลามว่าไงนะคนที่มีพ่อมีแม่ถ้าลูกไม่เลี้ยงบาป ลูกนี่นะบาปยังเด็ดขาดเรยบรอยอลัลลอฮ์ลงโทษแน่พราะตาแหน่งของพ่อแม่รองลงมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูบะตาลาข้อสุดท้ายก็อที่สีหการหย่าร้างหย่าร่างเนี่ยในตะวันตกบอกว่ามีสิทธิ์เท่าเทียมกันเมืรร่อผู้ชายหย่าได้ผู้หญิงก็หย่าได้แต่อิสลามว่าไงนะสิทธิการหย่าอยู่ที่ผู้ชายเห็นไหมต่างกันนะถ้าผู้ชายผิดจริงๆเนี่ยผู้หญิงหยาได้ไหมได้มาขอร้องมาจะย่ากันเองนะ ต้องไปขึ้นกอดุงกอ ด, กดีมีทรงมีสารกองผ่านขั้นตอนของการหย่ารางนี่แหละการอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านนาบีกับความคิดขับพวดตะวันตกแตกต่างกันนะเข้าใจอธิบายนะมีประมาณ1 0หหข้อนะอเอาต่อมาครับอายาที่เทไรนะ33มสบสานะ و َ ل يستعفِ في الذين لا يجدون نِكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. เริ่มอ่านอีกครั้งนะครับวัลยาสตัฟฟฟิลลัดีนาลายัดดูนนิคาฮาฮัต فضل วัลจัสตาฟิฟแปลว่าจงข่มตนเองอ่าข่มตนเองพยายามดูแลตัวเองให้ดีอย่าทำบาปเพราะการทำสินาเนี่ยไม่อนุญาตในอิสลามแต่ตะวันตกบอกว่าได้ใช่ไหม แต่มุสลิมอิสลามสวยังไงนะไม่ได้ฉะนั้นเมื่อไม่ได้ต้องทําไงนะวันยัสตาฟิฟจงค่มตนเองให้ดีนะครับดูแลตัวเองให้ดีวิธดีดูแลตัวเองก็คือหนึ่งอย่าอ่านหนังสือโปอย่าดูหนังเอ็กใช่ไหมอย่าจ้องดูหน้าผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้หญิงกํากันอย่าจ้องดูหน้าผู้ชายมันต้องรผนองตนเองให้ดี อัลลับีนาผู้ที่ลายดีดูนไม่พบหรือไม่มีไม่มีความสามารถนิการแต่งงานได้สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่มีความสามารถแต่งงานได้ระหว่างที่รอแต่งงานนี่นะทำตัวยังไงข่มตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ต้องให้ข่มตนเองฉะนั้นรักษา เนี่ยนมาถาเวลาถือสินอดเยอะๆอ่านกุณอ่านวิกครลลห์หัวใจมันสงบนะครับหัวใจสงบครับอ่านนี้ยรอลาวนักพีร์กุนอ่านเลยนะคนที่หานิก้าไม่ได้ยังเป็นหนุม่มอยู่ใช่ไหมจะทำไงนะครับให้คมตนเองให้ดีฮัจญายุยนียหุมุลลาห์มิม فضل จนกว่าอัลลออักนายุคนีแปลว่าให้ร่ำรวยจนกว่าอัลลอฮฺทรงทาให้พวกเขามั่งคั่งหรือร่ำรวยมิมฟัตุลิฮีจากความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาเห็น ไ, ไหมบางคนกลัวไม่กล้าแต่งงานน่ะโอ้ทว่แต่งงานต้องรับผิดชอบอะไรบ้างเจ็ดเจ็ดเจ็ดรายการนะผู้ชายต้องรับผิดชอบหนึ่ง อาหารสองเสื้อผ้าสามที่อยู่อาศัยสี่พอเก็ตมันนี่ห้าอย่าตบตีหกยาดาเจ็ดยาหนีนี่หน้าที่ของผู้ชายหมดเลยอ่ะหูรับไม่ไหวแต่นี่บางคนผู้ชายบางคนชอบเป็นชาวเกานะนะชาวเกาะเอาล่ะผู้หญิงก็กลัวสิใช่ไมเป็นชาวเกาะ อ, อย่างนี้เป็นต้น คว่าอิสติอาฟะวัยาสตาฟิฟนี่แปลว่าจงข่มตนเองให้อดทนนะในตับเซตอิบนุกะซีอิบนุกะบีหลายๆเล่มรูม้คนมาอันีบอกว่ายาชิตาฮิดฟิลไลฟะพยายามข่มตนเองพยายามทาตัวเองให้รอดให้ปลอดภัยจากการทาสินาตับเซตที่บปเทนละคาเลยนะยชตฮิดฟ ah ิลฟะวูนินนับซพยายามรักษาตัวเองให้ข่มตนเองรักษาตัวเองให้ดีอย่าทำสีนา นี่ไงหน้าที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีต่อมาครับฮัตตาโเนยาหมุลลอจนกว่าอัลลอฮ์จะให้พวกเขามั่งคัง่งถามว่ามั่งคัง่งยังไงมีมาฮัตถ้าผู้ชายมีมาฮัต ส, สามารถจะแต่งงานได้ควรแต่งเธอไม่ใช่บัคคับให้แต่งนะควรแต่งนะแต่งกับไม่แต่งนี่อันไหนดีกว่ากันแต่งดีกว่าจะได้รู้ว่าเออการรีส responsibility รับผิดชอบนะั้นเป็นยังไงโอ้โหรับผิดชอบคนเนี่ยยิ่งใหญ่มีรางวัลตอบแทนจาก Allah นะทีนี้คำว่ามหฮัตเนี่ยเมืองไทยเนี่นะรอ ย, ยรอยีอยย่สิบร้อยห้านบีไม่ได้กำหนดเลยเนี่ยผมถามย่อผมคุณพ่อผรอ ย, ยี่้านะว่าอาจารย์สวานนะที่มันคนวางมาไว้อา <laughs> จารย์สบายก็ตายสบุลาหุลแล้วนะ ทักมอวางไว้ประชกันทั้งประเทศนะทําไมไม่ยึดสุนนนาบีเป็นแบบอย่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่แต่นั้นมาฮัดอารอยยีห้าเนี่ยนะไม่มีในสุนนนาบีนะบางคนอยาไปใช้ในอเมริกานะาึ่งรอยยี่ห้าดอลล่าอยู่เมืองไทยร้อยยี่ห้าบาทอ่อนห่างกันตั้งเยอะเนี่ยเป็นทั้งคิดเองเป็นอย่างนี้นะาาศาสนาคิดเองไม่ได้นะเอาต่อมาครับ والذين ي ب ت غ و บ الكتاب مما م, م ل ك บ ايمانكم والذين ي อ ت غ و ن ا ل ม ت ا ب مما م ل ك ่ ا บ م ا ن ك م والذين อมานุมวันแปลว่าพูดที่ยบาตารุนแปลว่าต้องการ หรือว่าแสวงหาอัลกิตาบเนี่ยแปลว่าการเขียนเขียนอธิบายอย่างนี้ท่าต้องการอธิบายเรื่องท่าต้องการที่จะไทยตัวเองให้เป็นอิสระไปทำสัญญากับเจ้านายตัวเองเพราะว่าฉันจะเอาเงินมาให้ท่านท่านเรียกเท่าไหร่เอาแสนบาททำสัญญากันเนี่ยระหว่างเจ้านายกับไรนะกับท่านเนี่ยเรียกว่าอัล อัลกิตารฉะนั้นถ้าหากว่าทาสคนหนึ่งต้องการที่จะหาเงินมาถ่ายตัวเป็นอิสระนี่นะมิมมามาจากไอ้มานิกุ้มมือขวาของสัวเจ้าคาบครองก็หมายถึงทาสราาสีต้องการที่จะถ่ยตัวเองเป็นอิสระนบีอัลลอฮ์พูดในคัมภีร์ุรานอธิบายไงไม่ต้องการจะให้มีทาสเกิดขึ้นไอ้ทาสที่มีอยู่แล้วต้องการที่จะบดปล่อยให้หมด อนาคตอาจจะมาอีกก็ได้เราไม่รู้ใช่ไหมใกล้ๆวันเกียรติ์เนี่ยอาจจะมีทาตมาอีกก็ได้เราไม่รู้แต่รับรักษาไว้ในการเพียกุญยอ่านนะครับอทีนี้เมื่อมีทาตุพี่น้องครับมีทาตเนี่ยบางคนตีความหมายทาตว่าคนทํางานที่ออฟฟิศลูกจ้างตีได้ยังไง พ, พนักงานที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศ เ, เป็นทาต จะนอนกเขาก็ได้ดูดูดูตีกันสิอร่อยจริงๆพวกเรากนี่อ hm ร่อยช่าต่อมาครับสกาติบุหุมอินอาลิมตุมฟีหิมคอยรอสกาติบุหุมอินอาลิมตุมฟีหิมคอยรอจงเฉียนสัญญากาติบเห็นไหมนะครบพี่คุณอ่านอธิบายว่า จงทําสัญญาจงเขียนสัญญาเห็นไหมอิสลามไม่ทันสมัยนะดูเลยนะจงทําสัญญาคอยยืมตังก็ทําสัญญาจะปลดปล่อยท่าจะเอาเงินมาให้ก็ต้องทําสัญญานิกาก็ต้องทําสัญญาทําสัญญาหมดเลยเนะี่ยนี่อิสลามนําหน้าแต่พวกเราเองไม่ทําต่างหาแล้วใช่ไหมเราไม่ได้ทํากันเท่าไหร่แล้วครับใช่ไหม ฟากาติบูฮุมจงเขียนสัญญาอินอาลิมตุมถ้าหากท่านทั้งหลายรู้ฟีหิมนะครับในการทำสัญญาครั้งนี้ค่อร้อนเป็นความดีถ้าหากสูเจ้ารู้ว่ามีสุวรณดีในตัวของพวกเขานะครับว่าการทำสัญญานนดียังไงนี่อัลลอฮลาสอา น, นะจะมีปัญหาจะทำเรื่องเงินเรื่องทองต้องทำสัญญา <c oughs> เพื่อไม่ให้มีปัญหากันในในโอกาสต่อไปอทีนี้ <c oughs> การสแสวงหาทิสกีของอัลลอฮ์คือจะมาถ่ายตัวเองให้อิสระนี่นะนันเป็นอามันจิซอลแลนะ <c oughs> คนที่สแสวงหาทิสกีของอัลลอฮ์มาเลี้ยงดูภรรยาเป็นอามันจิซอลแล <c oughs> ลูกที่ไปสแสวงหาทิสกีของอัลลอฮ์มาเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นเมีทรางวันเป็นความดีทั้งหมดเป็นค่อยรุ่เป็นความดีนะ นีู่อ่านอธิบายเยอะนะภรรยาอยู่บ้านดูแลดูแลได้ไหช่วยสามีให้มีอีมานเพิ่มนี่หน้าที่ของภรรยานะดูแลสามีให้สามีมีอีมานเพิ่มแล้วก็เงินทองเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครนะเป็นหน้าที่ของสามีสามีก็ออกไปหาทิษกีของอัลลอฮ์อิกรซาบแล้วก็เอาเงินมาดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลพ่อดูแลแม่ ภรยาบางคนนี่นะถ้าสามีให้เงินพ่อแม่เนี่ยโกรธมีไหมถ้ามีเลิกคิดเลยมันเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายจะต้องดูแลภรยาดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลน้องอีกพี่สาวอีกอะถ้าอย่าไปโกรธเ้าท่านผู้ชายบางคนจะให้เมียให้เงินพ่อแม่ต้องมองภรยาอยู่หรือเปล่าค่อยๆให้แม่ทาได้ยังไงถ้าภรยาไม่เข้าใจอิสลาม เขาต้องการที่จะเข้าใการอัลลอฮฺสุบฮานูต阿拉ก็นั่นไปด่าเขาอีกอ่ะทำให้พ่อแม่มีความสุขผลบุญเยอะนะ่ะทำโดยเลยละให้มีความสุขไปเลยเ ร, าร่างบุญทรัพย์ผิดชอบเยอะให้เงินอย่างเดียวไม่ดีเหรอใครไปเลี้ยงดูได้ไหวไหมอัลลอฮฺเอาเงินให้อ่าย่อเอาไปมาเอาไปฉันให้อย่างเดือนละหมื่นเอาไปพ่อแม่ก็มีความสุขกับทำโดยเลยละนะเอาต่อมาครับ ว وأعطهم مما لله الذي أتكم อัลลอฮฺ آ ا <كم> Allah, ตันี้วรรคนีดีมากครับว่าอาตุหุมมิมมาลิลฮิลฎีอตาคุมขอให้จำอายะนี้น ะ, ะแล้วเขียนแปลไว้ข้างฝาเลยอาตูหุมแปลว่าจงแบ่งให้ หรือจงให้มันจะให้ทั้งหมดนะมินบางส่วนมานแปลว่าทรัพสมบัติทรัพย์สินจงแบ่งทรัพสมบัติบางส่วนมานของใครมาลินะทรัพ ส, สมบัติใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์นี่สอนเรื่องอักีดาแล้วมุสลิมทุกคนต้องนึกริสกีทั้งหมดที่อยู่ที่ตัวเรา เป็นทรัพย์สินของใครของอัลลอฮฺมาลิลล่มีบ้านอัลลอฮฺให้นะอัลลอฮฺวับบัตมีที่ดินอัลลอฮฺให้มามีรถอัลลอฮฺให้ทรัพย์ ส, บสมบัติทั้งหมดใครเป็นเจ้าของอัลลอฮฺเป็นเจ้าของนี่สอนเรานะครับกุณอ่ญญานอายะนี้วัดนี้นะว่าอาตูฮุมจงให้อัลลอฮฺสั่งนะคนที่มีริสกีเยอะๆในย่าขีเนียวอะริสกีบางอย่างในะให้ใครไม่ได้ ริสกี้บางอย่างต้องจ่ายเก็บไม่ได้บาปอย่างมีเงินมีทองเนี่ยเก็บไปหมดเลยไม่ยอมให้ใครสักคนนึงเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพราะในทรัพย์สมบัติของท่านมีคนแปลกใจพวกรออยู่อากาศของท่านมีคนแปลกใจพวกรออยู่มีคนถามว่าอาจารย์จะเอาอากาศมาสร้างโชว์ดาวได้ไหมเอาได้หรือไม่ได้ ไม่ได้ครับเพราะอากาศนั้นเอาไปดูแลคนไม่จะดูแลอาคารดูแลคนไม่จะดูแลอาคารฉะนั้นดูแลคนหมดเลยนะอากาศดูแลคนอากาศฟิตโ ร, รดูแลคนเนื้อกุหบานจะมาดูแลคนมันจะดูแลอาคารอาคารอาคารบางคนได้เงินมาแสนบาทท้าสีหมดเลยเราวเลยลูกหลานยากจนไม่ให้ ตกแต่งบ้านสวยรถสวยคิดผนะิดถ้าอ่านกุอ่านาจำจำจำไคิดแบบนี้อ่นานุณอานสอนอยงไงดูไหมว่ า, าตูหุมจงให้หรือแบ่งมินมาลิลาจากทรัพย์สมบัติของอัลลออย่าว่าเป็นของฉันนะมาลีเนี่ยภาษาคุณอ่านภาษาดีสนะเงินของฉันทรัพย์มันเป็นยี่หอ้ออาหารกระปร๋องใช่ไหม ผลละมากกับป๋องมาลีนั่นอ่ะมาลีแต่แปลว่อะไรนะทรัพย์สมบัติของฉันไม่ใช่ของฉันอัลลอฮฺจะกลุ่มที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่โศเจ้าวักนี้พี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะมีอยู่สามประเด็นประเด็นที่หนึ่งทรัพย์สมบัติเป็นของใครเป็นของอัลลอฮฺเรื่องที่สองทรัพย์สมบัติอัลลอฮฺแบ่งให้มนุษย์ชาติเป็นเจ้าของบางส่วนเท่านั้นเอง อันที่สามนะเวลาให้ต้องให้ไม่ใช่ไม่ให้ต้องบริจาคบางสิ่งบางอย่างที่อัลลอให้มาบริจาคไม่ได้เมียบริจาค ไ, ไ, ได้ไหมบริจาคเมียได้ไหมไม่ได้บริจาคลูกได้ไม่ไม่ได้ส่วนทรัพย์สินนั้นมีไว้เพื่อบริจาคต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยตัวร้งว่าวะตูฮุมจงรับนะจงแบ่งปันนะครับพวกเขา จากส่วนแบ่งทรัพย์สินของใครของ Allah, อัลลออัลลอฮอาตากุมที่พระองค์ได้ส่งประทานแก่สุเจ้าไมริสกีทั้งหมดเป็นของ Allah, อัลลอฮฺอัลลอฮให้ทีนี้บางคนมีริสกีเยอะก็เยอะยิงจ้องห้องคุณอ่านว่าไงนะอินนัลอินซานะลายะปกออะรอฮฮุสตักนานี่เราเตือนไว้เลยนะมนุษย์เนี่ยจะหาก่เห็นว่าตัวเองมีเยอะ มีเงินร้อยล้านอยู่ในธนาคารกระยิมใจจะทำที่จะขายอีกราก่หน้าสีคข้ออีกพันล้านอ๋อริสกีเต็มเลยอัลลอฮ์เล่ลลนานบบบีบอกว่ามือของคุณนี่นะไปจุม่มในในทะเลแล้วยกขึ้นมาติดที่ปลายนิ้วนั่นริสกีที่อัลลอฮ์ให้บนดุนยานิดเดียวจะมีร้อยล้านก็นิดหนึ่งพันล้านก็นิดนึงลงมาจ่ายสากาดูสิ เล่นงานเองในกูโบะใช่ไมพี่นอ้องทั้งหลายเห็นยังครันั่นจะมีเยอะขนาดไหนก็ตามอัลลอฮ์ให้เป็นเจ้าของเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองอย่าหลงอย่าตะกับบูธอย่าเย่อหยิงอย่าจองหงนะครับอย่าอวดดีนะครับพี่นอ้องตัวลงมาทรัพย์สมบัติเป็ของใครนะเป็นของอัลลอฮ์เรื่องที่สองอัลลอฮ์โปรดปรานให้ท่านเป็นเจ้าของบางส่วนเท่านั้นเองเรื่องที่สามทรัพย์ส่วนบัติที่อัลลอฮ์ให้มานะ ให้เป็นเจ้าของเนี่ยนะอย่ากเก็บทั้งหมดให้เก็บเป็นบางส่วนและบางส่วนก็ต้องบริจาคออกไปให้ดูแลประชาชนดูแลสังคมนะครับเอาต่อมาครับวะลาตุครีหูฟะตัยติกุมอัลลบิราอัลลอฮฺ Allah, ดีมากครับ ว ولا ตุเคริหูฟตัยติกุม على البغاة ตุคริฮูเนี่ยแปลว่าบังคับทาลาแปลว่าอย่าอย่าบังคับอย่าฝืนใจอย่าขืนใจล่อนะอย่าบังคับใครครับฟตัยย um า, าติกุมแปลว่าทาสผู้หญิงของสูงเจ้าบางคนที่มีทาสเนี่ยนะ อย่าบังคับท่าครูหญิงนั่นให้ทำอะไรครับอา ล, ลบิรอหาเงินในการทำบาปหาเงินในการทำบาปอธิบายไงพี่น้องหนึ่งเปิดซ่องตั้งเป็นโสเภณีอย่าทำแล้วก็ค้าสวัสดอันที่สามตั้งผู้ชายเป็นแมงดาอย่าอย่าทาอย่าทำ แล้วก็มีแม่เล้าอีกนะหัวหน้าซ่องบางทีก็ทําเป็นผู้ชายหัวหน้าซ่องผู้ชายถ้าผู้หญิงก็เรียกแมงดาผู้หญิงเลยนะยึดแม่เล้าผู้ชายเป็นแมงดาเปอร์โซเปิดตะช่องซ่องโสเพณีให้ผู้ชายมานอนแล้วหาเงินอย่าทําแบบนี้อิสลามมากเห็นไหมละเอียดไหมห้ามเด็ดเลย ให้หาริสกีโดยการทํามาค้าขายอย่างคุณไปที่โรงเกลือไปซื้อของมานี่อย่างนี้ดีที่สุดเปิดร้านกาบคนค้าขายไม่ใช่เปิดซ่องเอาธาตม า, า, า, าขายตัวแล้วแบ่งชั้นครึง่งเงินไปครึ่งหนึ่งอิสลามออา ห, าห้ามกูนห้ามเพราะมีคนทําแบบนี้ในสมัยนบีอัมบดุลละหัวหน้ามูนาฟิกก็ทําแบบนี้แหละมีผู้หญิงอยู่สองคนเอาไว้ขายตัวแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันท่านอบดุบัคเห็น สงสารรักผู้หญิงสองคนไปแอบเอาไว้อันดัลรอบโกรธหนะ้าดูเลยเอา้าวคนหาเงินฉันหายไปไหนเนี่ยอุบกรณ์รักไปแล้วรักไปแอบเอาไว้ไปนอกแล้วก็ถอนถอนที่หลังอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นไม่ใช่ว่าพวกเรานี่เจริญนะเลวนะคนที่เลวก็เรามีไหมในสมัยใหญ่ญเลวที่สุดมีทุกอย่างที่เมืองไทยมีวันนี้เขามีกันหมดแล้วแล้วเขาเลิกไปแล้ววันนี้พวกเรากล ง, งัดเอาของเลวๆขึ้นมาใช้ในชีวิตใหม่อีกครั้งนึ่ง ทำทำไมนะครับลาตุคริหูฟะตาาติกุมาลบิรโอะเห็นไหมอย่าบังคับให้ทาสีของสูเจ้านะหรือทาสของผู้เจ้าที่เป็นผู้หญิงอัลับิรโอะทำบาปล่วงในกามอินอินอรอดนาตาฮัสลนาอินอรอดนาตาฮันานะครับ เมื่องจากพวกเขาเนี่ยปาธนาอารัดนาไปว่าปาธนาอยู่อย่างต่ฮัสซุนัน้นอยู่อย่างบริสุทธิ์เขาต้องการจะอยู่อย่างบริสุทธิ์แต่ไปบังคับเขาให้ขายตัวหาเงินมาเลี้ยงเจ้านายอย่าทำอย่างนี้นะครับลิ ต, บตลาบัตาอารอบอล hayatid d u n y ลิตาบตัตาเพื่อ เขาจะได้แสวงหาสงผู้หญิงไปขายตัวน่ยแสวงหาอะไรครับอารอดอลหายาติดดุลยาผลประโยชน์ชั่วคราวแห่งโลกใบนี้เห็นไหมรายได้ที่ได้มาในทางที่ผิดๆเนี่ยกุณอ่านว่าไงนะอารอดอลหายาติดดุลยาปัจจัยยังชีพชั่วคราวทําทําไมหาเงินในทางที่ฮารอบอยาหา หาเงินในทางที่ฮาลาอบบลอาราอลฮายาติดุนยาเห็ไหมไปน้องทำไมอัลลอ์สอนมุสลิมอย่างนี้เพราะมุสลิมเป็นคนกี่โลก อ, อยาก่ามาสองโลกกันแล้วกันนะโลกดุนยากับโลกอาคีรอเราเป็นคนสองโลกนะฉะนั้นปัจจัยโลกดุนยามันมีอยู่5รายการีปน้องอย่าหลงเยอะหนึ่งผู้หญิงสองเงินสมชื่อเสียงเกียรติยศตาแหน่ง5รายการเป็นตัวฉายของโลกดุนยาหมดเลย แพะแกะ่วัวควายที่ดุงที่ดินเนี่ยเป็นดุลยาทั้งหมดอย่าหลงมันเยอะแต่ให้หลงโลกอาเซรอเยอะๆสโลกเนี่ยนะให้หลงปัจจัยอาเซรอเยอะๆอะไรบ้างอิมานตกวา ย, กยากรีอีซาอคาุนยบีโอัลล์ริสกีที่อลัลลอ์วางไวเหมือนน้าในมหาสมุทรเยอะเหลือเกินเอากันไม่ไหวดุลยาที่อลัลลอฮ์ให้เนะี่ยเขาเรียบรนะ อาราต้อาติดดุนยาพ้นประโยชน์ชั่วคราวอย่างเงินเดือนมาทำงานรวบตาได้สาม0มืนพราปาเดือดหมดแล้วนั่นตุนยาทั้งหมดสังเกตนอะอาพวกเราก็ดูตอนนี้ดูมันหนุ่มๆเพราะแก่แล้วฟันหักแล้วตุนยาทั้งหมดอย่าไปหลงกับดุนยาเยอะๆเะนี่เป็นน้องนะให้หลงกับอาเคโรเยอะๆนะตัวลงว่าวักนี้สอนนะ สอนบ้านมุสลิมสังคมมุสลิมห้ามฆ่าสวาสดห้ามตั้งซ่องโสเภณีไม่ให้ผู้ชายเป็นแมงดาไม่ให้ผู้หญิงเป็นแม่เล้านะครับอายะวัลสุดท้ายก็คับว่าไมยุคริฮุนนฟะอินนัลลอฮามิบาดีอกรหิหินอะลลอฮรอัลฮ ว่าไม่ยุคลิฮุนน์ฟะอินอัลลอฮ์มิมบาดีอิคลาฮินวะฟุรุลหะยินมันบอกว่าผู้ใดยุคริฮุนนะบังคับนางใครที่เป็นเจ้านายแล้วก็มีทาสแล้วก็บังคับทาสให้ขายตัวเอาเงินมาเลี้ยงเจ้านาย ฟะอินนั่ลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นะมิบ้างได้อิกรหิหินนะแทอลเป็นผู้อิกรหิหินนะบ้างได้อิกรหิหิดังนั้นหลังจากการถูกบังคับของพวกนางบ้างได้อิกรหิหิหลังจากบังคับหลังจากนางถูกบังคับ ก่อฟูรุนรอฮิมอัลลอเป็นผู้ทรงอภยัยสูทรงเมตตาเสมอคือถ้าหากว่าไปบังคับนางนี่นะทรับยุสมบัติเงินที่ได้มานั้นฮารอบไม่ฮาราลฮารอมไม่ใช่ฮลารานแล้วก็อัลลอเป็นอะไรรู้ไ้ยถ้าใครกลับเนื้อกลับตัวเลิกไม่ทำนะกอฟูรุนอัลลอเป็นผู้ไรผู้ทรงอภยัยรอฮมุลผู้ทรงเมตตาเสมอแก่นางถ้านางจะคิดเป็นคนดีแล้ว อย่าไปบังคับให้นาไปทําบาปเหมือนเดิมนี่เป็นการสอนเรื่องมรารยาทในสังคมนะครับเรื่องอัครากนะครับที่อัลลอฮฺอัลลอฮฺสอนนะครับคือมีมีคนงานไปบังคับคนงานเหตุอะไรนะทํำนู่นทํานี่เป็นของอาราหมดเลยนะ่ะท่า ด, ดวงทาาเด็กก็เมือนเอาจากคุณอ่านอายานี้หมดเลยนะ่ะเอาเด็กเล็กๆมาทํางานเลยบังคับมาแหงเงินให้ทองเับผิดทั้งหมดเนี่ยที่ที่ที่ถ้าทำก็อยู่บนนี้อยู่ในคัมภีร์คุณอ่านทั้งหมดเลยนะ เอาสรุปจากวักนี้ก็คือว่าอ uh um um ัตุฮุมมิมลิลลาฮิลลาีอาตาคุมอุลมามะทั้งหมดนะจากอายานี้ต้องการจะเน้นสามเรื่องเรื่องทีหนึ่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่อยู่ในครอบครองของมนุษย์เป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์ต้องต้องต้องต้องตองสบายใจแบบนี้นะใครจะได้เงินได้ทองมาต้องเนื้อนี้ เงินของอัลลอ์อัลลอฮ์ฝากฉันมาเรื่องที่สองอัลลอฮ์ให้เราเป็นเจ้าของส่วนเล็กส่วนน้อยเท่านั้นเองถือว่าเป็นความโปรดปรานใครที่ได้ริสกีมามองเป็นความโปรดปรานที่อัลลอ์ให้เป็นเจ้าของชั่วคราวเราเป็นแค่แม่นิยไดเรกเตอร์ใช่ได้ไหมไม่ใช่เป็นผู้จัดการจับได้บริหารได้แต่เป็นเจ้าของได้ไหม ไม่ได้เพราะลอเพราล้อถ้าถ้าเอาเรื่องของออฟฟิศมาใช้กับตัวเราสง่างามมากเรามีเงินอยู่รอยลานก็งึกเลยอีคนแก่จมพวกเว้ยเราเราอยู่เอาไปเลยจับปับปับปับว่อาไปคนจัดสรรแบบนี้ไปน้องเรื่องที่สามนะครับทรัพย์สินใดที่อัลลอ์มอบให้กับมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของนั้นให้บริจาคบางส่วน และให้เก็บไว้เป็นบางส่วนไม่ใช่บริจาคทั้งหมดและไม่ให้ทั้งหมดก็ไม่ได้ของที่อัลลอฮ์สั่งให้เก็บก็เก็บให้ดีนะครับไม่ให้คนอื่นเห็นด้วยอะไรบ้างสรอยคอต่างหูกําไรเท้ากําไรมือไปอัวชาบ้านวนได้ไหมไม่ได้อย่างนี้เป็้นฉะนั้นทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้มาหนึงเป็นของอัลลอฮ์เราเป็นเจ้าของชั่วคราวอัลลอฮ์ให้มาแล้วต้องบริจาคและรักษาให้ดี سبحانك ALLAHumma wabihamdika s h um wa l a l ill ill a illa anta astaghfiruka wa t a b u i l a i k ب r a ا ل ل t و ر ح م h الله و ب ر ك ا ت h